namu tantam bhagavan tu alahan tu ส a m ม samputan น a m ม a m u tantam พระกัวันโตอัลลหันตสมมาสามพุทธันสามนโมทานสะพกวันตอัลลหันตสมมา สัมพุทธันสาเออแล้วบัดนี้บุพผาภาคเบื้องตนขอย่อหนอดสาทุกการนี่พ อ, เ, อเจ้าหัวลานผู้มาลองสงกระเสเป็นเลมเป็นธรรมนองอีสันเทอหมุนมังตั้งเต่เกาบอยสูญเสื่อมศบแต่เพียงย่อให้มอเม้ า, มา เพราะว่าในยุคนี้สมัยไม่ไท่ประห ย, ยัดดีเมืยอยามันกัดหรือเครื่องบอนกะรีนิท่านเข้าขวออัภัยหรือคนเท่าเมที่จานทันนักปาดเสียงคำพ่าเป็นผู้ย่อยโพเลวเ ร, วรกเจอกาน หลานสดใสเป็นผู้มาเทศแลมาเวชาโรุกโยกเกษนิธ่านธรรมะท่องจำไ ม, ม่ฟังไว้ผู้สนใจอยู่ในเรื่องนิทานและมาาตินาโอกาสบัดนี้สีขอเริ่มบ้อนสีจังยิ้ม ฟังกันหนึ่งเพื่อื่นมีนามวาทัสพรตอนพระอินทวังนางเซไยเป็นเจ้าว่าพุทธสรีเมียเ ง, งเาทั้งผิวพัน์ก็เรื่องล่ากับทั้งผาที่พรมของใสกมุ์มองฮะพระฤาบโตอน้องว่าพังกอนพุทสรีเธอเป็นคนมีอุ่นแต่เก่าการ น, านันจีฮฮ เออตักมาไหนอตอนนี้สะเบียงกังน้องยังยอมดอกนางเอเอแต่พี่ซ้อมเบึงนี้สียจอกคนมอง น้องสิแรงภาคายจุติจากเมืองสวรรค์ลงไปบำพินเพียนก็กุศลดอกไม้ตายยาเสียใจไปเลยล่าถึงเว ล, ลาเจ้ายาเอวควมไตายมัมดหม้อเร็้วเมันคว้ยกาบอฟังผูด้สรีได้เต่รังโศการนำตารังพอ่อปานฝนดอกเม้ บ่อยากไปเมืองคนนางพออุ่นอกล้องเตอเออพี่เครื่องใจยังนอนจังมาปองไอจัมฮังเปิดอีนังว่าเจ่าหลือได้เจ้าพ่อพากุนอ้ยพี่ ชจังว <edy luôn> ่ามาบัดนี่มุญอีทองมันยังยอมขันเบาบานางสิตกลงไปบ่ก้าวโดดในมันกว่างขันนางเป็นคนกวงเมิดความงำความโกบ่โสเอาหลอกสนบอลนะอนสีจากเมืองเม่นเดียนสวรรค์ภาคนี้สีขอพี่จักหนึ่งอันนอกพี่ ขันเปียกนาดน้องเมียพี่พุทธรีนังสิขอปะปอนใจก่อนสิล้องไปไตยพ้อนนั้นมีสิบขอสิพป้อใจน้องบาปาอินเลยเ อ, ออตอบตบลง้งก็พักน้องพี่ย่อมมหเอเจ้าบาจินนะลนาผ่านางเอ้อ เอนน อ, น อ, อต่อจาก น, านั้นพุทธสีเขากราบกลุ่มขอพรติดสิบประการเพื่อสิเป็นสะพานท้องมา ท, ท่อ ง, ทองเที่ยวลงตะยทั้งโสกาทั้งไงทั้งขอพรน้นมตาลังจงก่อยฟังขอตอน้นนางสิว้ากเก้าคน ก่อนหนึ่งนั่นย้ำขาลุงไปเกิดการดอกคนแห่งทั้งใดก็ดีเร็วคอยเจ้าสีพีได้เรียกตามดอกน้ำเขาอ่ะข้อที่สองคอยตาสองกามดอกดำดีปีปอดเม้นสิเทาเจาเร็วอย่ากขาวคุนดอกคุณมัว อ, อข้อที่สามขอยคิวขาดของคือรังนอกกันส่วนคนตางอนมาลาบเข้าส่กันงามกูมุ่มนะข้อที่สี่ขอยเกษาเสน้นนกดำดูสงางยามีข้าวอกเสน้นในเป็นเทรดอกรังเทา ก่อนันคอยโน้มตุ้มตังเสมอดังจุ่มท้องคอยห้องง้องใส่ดอกตุ้มตึงเต็มเตาแม้นว่าพูดสิเทายจะมีญาตคือบันพึ่งเออกัดน้องสาขึ้นว่าเสียกันอีกองบอกัดขวางเทาที่ขวานะ เออข อ, อก น, นั่นคอยผิวปันเนือปุทษติยามีลาเมนสิเท่าเจลาย่ามีอยู่รอกยอนยนันนะก่อเจ็ด น, นันย้ำขามานมีทองทรงขันอย่าทอวงให้บาดเธอได้ลูกหน่อยอยู่ในทองให้รังนึง่มนะค้อยไก่ ก, กมเกียงยานุนุอยู่ยอนพอนขอเปียดปนันนันทันตะแขีวไอ้องขาวนะ เออยามเมื่อวัวยิย้มเยี่ยมแม่ผู้บ่าวรอกไต้นะพี่เอออย่าลืมคำของนางขอติดต่อไปพอนเก่าเมื่อขามีบุดหน่อยเป็นใจมาเกิดก่อนเป็นคนมีเด็กกาปัญญาโล่น อ, อกลืนโค พ่อศิบนานคอยปัญญาคาคุ้มคายทั้งฉลาดพุงนักปาดใยหน่อยย่อาการักวารีฮคุณผู้มีคำอ่อนสัรจรได้มาพึงป้อินมองเมืองเลวป้าตันในเกปานางโตจากนั้นพุทธสดีเลยได้ห่างลาจากเมืองสวรรค์ พาญาอินกะเต็มพอนทรงเมียบผู้ใกล้เวนอุนอินกำเจ้าพุทธรีเมียปีบอมียังคงที่พุทธรีจากเดีย ว, พยวเพินเสาเก่าล่าขอายาวนาตอนตอนพุทธรีได้ลงเกิดทาดสะพอนผูกตู้นสิลงไว้ bò cao cầy nón h oh, ú oh. นี่นับแต่นางพุทธสเดไดลงมาเกิดแล้วสิไดต่อหิมมาปานตานนิท่านจะรกสิยกไม้ฟังไวหนับแต่หลายวันนด้พุทธสเีลงเกิดหลายเดือนมาเคลื่อนย้ายและไกลเขาเรอกสูปีน หลายปีมาผัดญ่กาเป็นสาวซาในนครสมกับพรานนังขอต่อพอินแต่เขานั้นนะเหลียวบางเปียวพันนองหลดคือท้องเก่าสังพญากุงสนใจโป้ปนในนางบานดเด้นเหล้วมักกว่าเร้าะ เออกะเลยไปเก้าเอามาเป็นคููใหม่สีข้องมาข้อนสีพี่ได้อยู่ดีจนมีหอนนะส่วนผอินกะเลยหอนพ อ, อยังพรอนนี่ขอหนึ่งจึงได้ไปลบเล่าเอาแก้วนอผุดทุงนะ โอ้ว่าโอ๊กอ้ยขวนจิตสันลุศิษลูกพ่อขอ้บุตรตาแจ้วจงเตรียมตัวลาไปลงเกิดจากประเสริฐเจ้กาพราหุมนอกหมูค่คนนะเม่นไผไ่ก็คงหนีบ่อพนจากควมำเจรและเจ็บตายลูกคำเอ้ยลูกจะเสียพระไทยหมองจงแต่ต้อนให้มันแจน เออลงไปแปลงนอกหัวคมสะพันท้ทองกับลูกพอก้นเขาลออยู่เตีสยวงในรอกเพิ่งบุญนะก็จากกันสันดุสีจุติมาจากพูนลุงมาเตียเมืองสวรรค์นอกทานเอยมานํำกันกันกบตนาะเช่นเผือกนิ้งง่าเก่ยว ลุงมาเน่าในท้องผูดสติบ่มีขาดทดสมมารถคบถ้วนอยู่ในท้องจองพะคันต่อจากนั้นเลยประสูตรลูกน้อยนำนอรอกปินชายสร้างปัจจน้อเข็นก อ, อกมาวันนั้นกลุ่งสนใจก็เลยตั้งสัพพนานมหาเวท เออเหตุว่ามีสร้างแก้วดอกมาพร้อมในเกิดตอบหลายวันมาเวทสันดอนย่กาปัญญาจริงเกินกระดาษดอกหนูมอือก็เลยจัดลงท่านเพื่อสอยเรอกค้นให้ทำท่ า, ทานไปบ่มีอย่างป่ชาชาจนในเสียงซาพอเลยหาคู่ให้เมียแก้วมิงนันซี นางนี่มาจากกรรมมัธทธาลทธานี้เอามาเป็นไหมสีรอกกูข้องสองสอนจนว่ามีบุตรหน่อยสองเป้า อ, องค์มาเกิดรวมลูกผูกโกผูกเขาก็เป็นเสื้อรอกนอสายเสื้อ ว, าว่าชาลีเทาปัญญาไว้ดอกกากันทั้งกณะผู้รองมาในทองดอกเมียเดียวฮะ เออผูกกับยาผ้ากันนะก้อใจลานก้อใหญ่ทั้งสง่งอยู่ทางข้องควอมสูกลาดสรอนบ่มีหอนน่ะเจ้านาคอนกุ้งกวงเสียพี่กระไรพึง่งเป็นอย่างบุญแจมเจ้าไรปกุมหนอกเกลียมงม่ะ ทุกมือมือพาเว็กี้สร้างเกล อ, อกไปสู่หรุกงท่านทั้งเงินทองของกินกะแบ่งปันชาวบ้นานเพื่อให้เป็นทุนขาบภารามีสิ่ยูซุ่งบ่ได้เห็นเจราเม็นไผ่เทกาสางตา เออข้าวนี้ดังสะตอนไปเท่าตัวดอกหัวเมืองปะเจาจนล้ำไหลมาอังออดอกโซรุนนะจนว่าเมืองกาลึงงูไปจุมกันในตั้ง่านับแต่ผลขาดฝ่าดอกนาะเองไงผู้ ในเกตปีดวงลามฝนม้อยาดดอกกล้วยอ้ํจากปลาเปลนน้ำย่างแม่นมอมีรอกไฟหัผ้ากันจัมสินาสูตรขาา้าถาปากคอสูงนางเมีวเฮนามเสียงของเสียงหมู่น้า เออพ่อแต่๋อข้าวเจ้าพยาเวิสันดท์เป็นภูมิสัทธาหลายเรตีงทานมามีอันนขันเอาไปขอไดนะ้นาเกินตัวประเสริฐฝนสีตกจัดย่อยห้ามไม่ได้สุมยิน ต่อจากนั้นเขาจึงได้เลือกเี่นพามทั้งเป็ดปัญญาดีเป็นภูมิคารุ่มอ่อนหวานบัดจ้ำเมาเพราะแต่พาตอนนั้นเขาไปสู่กรุงศรีพีเป็นเวลาพอดีละวังสองโมงเสาเวทสันดอนสงขคสร่างมารงท่านดอกคือเก้าพัิจึงเขากลับกุ่มทะวินไหวดอกเก้าขอ เออพญาวทสง่งกิบปอดอกเสือรอผู้ที่ยนกระติทนนาขึนเปลือกเนียนงาเกว่าพร้อมตั้งตีพหม่สานตายถูกีจับกันที่น้ำเต้าเกวกันมาแล้ว่างววล้ง พระสงฆ์ทอแจวรวงยอดสัพพันยูภูขาทาณานะชินกจ็จจงเป็นผลด้วยในอนาคตตาพูนผลบุญในอยู่สุ่งให้ได้เป็นองค์พระพุทธเจ้าคือเบาเนเธรืน อ้าวพ่อแต่หลายวันมาปรปชาชนดวงลูกไปฟองปูกุ้งสนใจพอว่าความิจจาไยประชาบอยินพอมกุ้งสนใจปัดใจให้เห็นดีน้ำกมพวกไปคาปลูกไก่จากบ้านหมนเรื่องอีกต่อไปฮะเวดสันน้อนอื้อ เธอบอกไปบ้านหลดท่านโพดเหลือประมาณสางสมพานเจ่นคู่เมืองอยังท่านใด้ะเขาต่อไปเธอสิทา่านยังเท่าสองเขือพอกลับมไปเป็นาทาดรับใจเรใไปบ้านพื้นเขาา เออเหตุดังนั้นเจ้าจงนี้จากบ้านพอผิดลาดผลเทียนบานสิมาพ่านมุนมังไปนั่งท่านจนเมือดเจียงบ่พอใจเสียวเลียงประชาจนเขาปองยาทําเสียหน้าเสียตาท่านกระท่านพวดหนายอยกากไอบ้านท่านผู้ฟัง วิสันอนเลยไปทุนยับจางขอผัดควสามลาตีนี่คือกันหิมาพานสีเตาลงแต่เพียงยอจงรอฟังไปนาทานกันสิจันลิงบอกคือเพียงดอกลูกทุลุงปางจงคอยฟังนาลนาสาธานอ กันฟ้าแลวเจ้าเด้นหนุมเด้อยนนนนเนอเออจังว่ามามัดเนี่ยสิเขาสู้ทานักันกันที่สามเดินหุ่มไม่เจอาจาดตาคำ ว่านะมีอยู่สองลอยเก่าผัคาถ า, าเดือพ่อใหญ่พ่อรุ่นไข่เสียงอาทิตย์จรเบิกป่านาา่ะพระปูงหุงคาใจนะมัติเร็วมันถึงข้าวกว็ให้เฮาสิจากน่ะกนนี้ของที่มีในกลางกระซังการท่านให้เกียง บอกฟังเสียงคนบอกขอรหาก้อยขา้าวเปล่าไปบอกข้าวนองเมียแกวมิงมาซีนอือ้อข้าวนี่กำเล่นตองเห้าพี่สิ่นี่ไก่พี่ได้ทานนน่าชินในแก่พาเมื่อวันนี้เจ้าสีพี่บ่อยันพร้อมการกระทาว่าไอส้สัวหอกนางอื้อ สำหรับความนอกเป็นผัวเที่ยมีตอน้องเสียสิ้นขาดกระด็นฮวินพี่มาหอดล้ลไอน้องอยู่หอกมีสุกพี่สิไก่เวียงวางดังกะบวยสิลาหนามะพอบ่พ่อใจเรียงสิไก่เมืองเต็มืออื่นนาง่าทําทรงตื่นท่วงให้มองสาเก่าลาง พ่อปันฝ่าผ้าเปียงลงมาเสก บ, บ้านหัวผัวเมียกันสิมานี้บอยมีำม้ามาว่าเมนใจจ่าเรนเป็นน้ำท่านสร้างเผื่อพองเจ้าเมืองเข้าไปก้าวฟององงเจ้าปูบอลุงน่ เออมาสินังกับกลุ่มทุนบาทประสาหนี้พี่ไปเสนียงไปน้ำพัมกันในมันพุน่นนะจนหลือนี้บอยยอมติ่มเนียนไปดีก่็คุณพี่ลูกกันอาจะดีเขากะยังน้อยๆสิป่อยกลางเห็ดจังในนะ เอออุ้งเผทจในได้ฟังภากก้อยแรลงนี่น้องทั้งสงสารจอมแปงมีแม่ตูผูเคยเดียงตัวกลงนี่ไก่เมืองมอยุไปคุณว่ามานเสือเออเอรเียมบาของมาท่านในคุ้งคุนจุนนองยาจุง มืออึนสอบพีสิพาเดินดงท้างจริดลูกปลากกันนาพรอมนอกพรามการอือตื่นขึ้นมาเมื่อน้นอาพมันดาสาเตีองในต้นสขกสุกา ส, สุนิสาสังมีวินสวิดสันนนสังมีเรือง เจ้าอยาเกรื่องกรารตั้งตอนเมสิไปขวอบอวันมีด้เจ้านั้นในปัดปอนโอ้ยพุทธสรีเลยเรียบร้อนไปทุนนาใจฟ้าละอองสวนว่ากุ้งสนใจนังนาหัวหลองก้องบาเบาต่อรอบกว่าความมีแต่ทำสมชื่อดังโมเคยพันผอม พูดสศรีก็เลยห่อทั้งเสียใจเกลนข้าเออขึ้นมานัง่งโศกอเศร้าละน้อยขึ้นใส่ผ้าหนาอ้ยกำเอ้ย ไปเบาเบิงเล้วพระเจ้าปูวาปบาวสาเมืดปัญญาความจิตสิสวยต่างตั้งจ อ, อาเเกิดมามีกรรมมือบวชสินีนาอยกามาอุกังนามตาไห ล, ลังย้อยเพราะปัญหา And I u i l l be with y o เออจิตเห็นความตัวกาอยู่ในป่ามันกันด่านดีคำดีบอกเคยผ่านเคยปลูปลูกสิไปรอกในดาวทั้งย้หนาเลยย้ำหมอนองผู้ทนสิเรียนปากคำเอ้ยเพียงือตาอยู่เบาย้ำตัวเจ้าสิหั่งนิ่งน่ะ ลูกบอดีลูกบ่หูเม่สอนสั่งกันยังจำนันนีน้เนาะมาดมาตั้มตันไปพอบอหินนำ้ำทาวาไปฟังควเจชาบ้านคุณสอพอเขาไปส่อเม่ไปขวาเบึงเลี้ยวคําหน่อยพอบอจา เออต่อจากนั้นพระเวทพานอเจ้วเมียมิงสเสนหาทั้งบุตรตาสองคนกับพิมมือนกั น, กนลมนะป่าจะ ช, ชนเขาดำมุมสูมเสียวหงูงว่าอนาูนอพระบัทไทยสังสิริดอก้างเมืองนะกับปังคู บาทเบืองปญาปูดูสลดนามตาไหลลงตูดอังรลาลาเอาวากุ้งสนใจก็เลยเบอกขอหลานต่างปนิเศตรพมิตอก้อยหลานน้อยยาสูไป อายกาญาเจ้าก็ทนโศจีพุดสรีปข้องลานผู้เจ้าพาน้อเรืองอยู่สะเปียงน้อรากกันอาจะดีอยู่กับญายาสิไปกระสังทรนในมโนบานญาณ้นน่ มาสีนั่งเกาหย่อนเยี่ยนปากตอกแก่กันผัวทำท่ า, ทานแล้วมีผีในกิดเอาอยามาเ้าสีมาเอาหลานไว้ในนค้บ่อนถูกลูกในใส่ปูบอเลียงยามาเตียงส่เทลาน ปูย า, านลุมลินลินพญารอกคนจริงลูก่อกิงแต่ว่าลานสี่เลียงสี่เทียงวอย่อยู่ยังปีกุงสนใจนั่งอูอีปันมากี่รอกหัวเงากูมาเหลือใจไหลคิดจากไอรอกน้ำคุณน่ญากอทุนมองเโสโจมเบาลานมาอุโมนมือบอเวนินสองเจ้านสินิเวียนญาบอิน น้าบาดนานนกกระสานกระภากเวนปูแรียกกาไก่ลานดอกทานอขอคอยบุญสุมบันจงเสสุนรูคัมต่อจากนั้นเวสันดรพาวนองมาเสีนังทั้งลูกขึ้นไปนังรถมาสิพ้าเจ้ารกดวนนี้ม พ่อจะบิดเกตบ้านนักการีสิพิผัดมีพับมาขอต่อเอาหอกยังนามนะไปอินท่าอยู่ทึงป่ามารลองชื่งพญเวทพระองค์ทานม้อนถาละขันกัจังหวนสมควานเนื้อเสียวโล สิสารุสิสารนนนออเล้วบัตนีกันที่ศกมถึงศีกษัตริย์ไกเมืองขวาพระองค์ท่านสหานา มีไก่ปางแต่ยน้ำเส่ากุ้งสีพี่เสียงเปะขอมาขอลถมากระทันสำมบ่ห่วงนันนะ พอท่านลดเล้วพาเวทยังนกทั้งตีนผ้ากันปินผู้พาสัวขาไกยืนเดียวหลังคืนทั้งพี่กุ้งสีพี่เห็นแต่ไงะไม่มันเกิดนอหุม่มควรกุ่มไงละอองพาเวทป่อต้อนองเมียพี่สีสะมอนนอกนั้งเงือ เออย้าเ ม, มื่อกำเวียนมียาได้มองพต้แเกนถึงเวลามันลมหลบจมยาได้จมขขาวหมเมีตายคนเสิ่มนอกแกนนะ พอเตวิดเกตแก่นโคกมาเกอิรุมตีดอกจมูยเสียงจะนีมันวอนปวดกะสันนาซูมมาคือกูกไก่บ้านมาเร่นไผ่ไก่ตินแต่เินสวยดินแนงอ่อนตินปัดซำดอกเคยพุง องพระเวทเป็นผู้อุม้มเมาอ่อนนอกจานี้มาสีนั่งเป็นคุญจุมเอาแม่กันหาหน่อยกึ่นถึงผู้วัดลงก่อยมีหลายร้อยเจริญพนันถึงลำท่านแม่นามมอมีปาสิเปลี่ยนส่ มองเห็นนาม ต, าตัดตงไหลมาจากตกตึงเขาผ้ากันเศร้อโยเลียมน้องในนั่งมองเตะปาบอนะอ า, อาทิตย์จอนลุงก่อยกระเซ้าแหงใจสีขาดเจตราดัสาบเรื่องมาทุนเบืองบาดจุคุนน่ะ ระเวจเราแต่ตนจนหูเรื่องเลี้ยงนราบข่าพระอุ้งสิย้อมลาบไปอยู่ข้องนาครนีมนะข่ายินดีสีย่อยไพระองค์ข้องถูกตรงที่ขอขอบคุณพระไม่ตีความวางดีทีทันในในข้าวแกนมาตาเกนนะ เตียวอยู่อะไรไทยบาเก่สิมาเห็นเฮาเป็นคนการีจังบอกควรสิของบ้านน่ะท่านสิย่อเมืองไห้ก็เป็นบุญอันลำลืนสินอนนี่จากเกินตึมขึ้งมาหอดมื อ, อเศร้าเฮาสิเคารกป้าเขานา เออพอเตตื่นลุงเช้ามือไม่ไขยเสียงอาติดแย่งโลกาส่งมานย้ำเช้าเวทสันดอนกะเลยบอยพาเฮาไปสุงเขาขุดจีรีไปทางแน่ทานสี่ทางเขาบนสีไปาตาดมาบนไกลๆเวลาอะไรหอกตามหลังีพอ่อ พ่อแต่ไก่เวียงวังบนผักน้อนขึ้นนั้นน่ะเสืกราสตาร์้ากันยาย่บนไม้ปวงไปหอดเขากดยังโยปุนบนหินงมดอกคุน่า ขันว่าไปหอดแล้วพระเวทเราสาวภาคไปอินทาเนรามตรคู่สวนดอกนี้วลอะมีทั้งศาลาห้องทั้งสองหลังพึ้นปันเบ่งผ่านหนังเสือเปลือกไม่แห้งแนวสีได้ดอกลุสงสูงอะ เออต่อจาก น, านั้นหลวงพระเรอก็จึงต่างทรงพนวดดอกถือศินบะไินนี้ในากามบอกมาเสียมาไกลมาเสียผลไม่จังอันเพิ้นอุปาตากบอกมีความยากหนุงพอใจมุ่งต่อพระธรรมเออวันนัพระเวกขอจบลงบนกรรมวงพระเวรรกรอกทรงศินฮะ เน่าอย่ในสารเาเพื่อประสูงดวงเก้วททำจิตใจใปวดแปลวบ่หมวอมองดอกหมวอคุณแสแวงบุญคันเมื่อนาเสียแ จ, จวนาพุดทุมตามจันได้อันโอมาเวทชะโรก้อนสิตกไปถึงนอกก้อนพามกันนามเสียงคำพาเป็นคนหยอกขั้นผิดไปอาภัยโทษเดืองมันเย่ายันยืนกะเลยย่อยเจ้กวน ันเที่สีกอ น, ส, อ น, อนอกสี่มวนลงุลงบนดอกธิดมีอยู่หาสิเจ็ดพักท่าถาวาสิลงนอกปุงไว้ผู้สนใจ ฟ, ฟังกันนาพะมานาเปิกาบาหรือจูโจกเปินกาอื่นขอเชิญญาติน้นองดอกกุ้ง่าหาทานังฟังเดืนอนยู Oh, h o h ตอนั้นพราเริ่มตอนกันที่อาเพิ่นเอ็นว่าดอกโจ๊กอุปมาคือตัวโจกประกอบฟงมัดเขาเร่นนนะต้องมีเดวหัวรอเพราะไข่เงาได้เบาสวงดอกโจ๊มเอ้ยเพราะเป็นไม่แง่สวงในหัวยุ่มเสกันนี่พอเอ้ยนะ บางคนนั่นเน้นผู้เียนจีไรดอกไ ก, ก่กำดามองเป็นมาลุลนงนงกปุ้มเป่ารักมุ้มเมาผัดเปล่าคือเท่าอีตาพัมนาในท้องเรื่องนะจากตัวจริงเป็นจากไหนบ่มีเพลูกเก่งเงินเท่าอีพอพัมนาะ ขอเริ่มต้นพามจีลายสิมาเกิดในคันมเมร่าฝันมีลังตังคุณเจ้าบานชิดจะกินมักคำสุมหมักย่อรองมือละสามกาตาเจ่งผักขาใส่เนอไมตังสามหมอกับบพอง จิ้นกะจิ้นกะรอต้มปลาคอสามกิโลบักแตงโมตั้งสามส่วนแต่ส่วนกิ้นลงท้องขันเมนของมันแพงคือสมัยเดียวนี้คือสิตายสะระพอมากส ม, มอป่าเร็กนงุงเมนตึงมือละไห นบาบตะไรอยู่ทอวงของเมตามกำหนดอิตาพามจูโจ ก, กออกมาบอโอสามนมะเมตาพามเลยตายซ้ำทั้งดีดาก็ไข้ป่วยปินน้ำลูกเก่งสวยคนหม้อตืกสรกบ้านและแพ่หอนฝืนขา้า เออเอาไปฝากกับพี่รองป่ายญ้าหอกลุงนามีเต้เร็วมาปินขอบประคุณควงบานนะหลานกระตกเฮือนตาย ย, ายกะเฮือนไฟไหมลุงอ้าวก็เจขาดตายย้อนควมอุบัตหายหากคนเลี้ยงกระบอมี น, นะ ในที่สุดพามเลยไปดอกจูยางนำหลวงพออยู่ในวัานทำไมสุ่พปพังเตกกระจึงกุรีห่างหมดทั้งไปอาศัยสุนคุณกะดีหินนาอดพามเลยตั้งกะตุวไว้สิไก่บ้านนอกเที่ยวขอเอาถูกอย่างว่าเตะพอขอน้ำบ่ม่ถอยขอเอาว้าเอาควายให้นาะดอกตากา ขอเอาเพลเอาผาขอนอนน้ำลูกสาวเพนเขาผัดเบกไม่ค่อนตีขาผัดแดนนี้นะเออขอบ้านนั้นบ้านนี้เด็กน้อยแฮเป็นยนใส่เราขอเอ้ยขอยาเนงยงมไงสัตมอนนอนเถึง พอตั้งถึงทั้งแต่ไปมาหินก็เปิดในสร้างหมอตายดับแนวอิตาพ้ำทองปูงผมยุงเขาเสียงนิน เกิดเป็นมือเป็นวานจูโจก ข, ขอบอเว็นเบี้ยบาทเงินคารวมเป็นเงินหลายกําเอาใส่ในถุงเปีง่งโดยประมาณเอาไว้เป็นเงินไทยสีรอยบาทยานหมูจูนผู้ไยมาน้ำปูนดอกเง้งเอา เออสมัยก้อนนั่นลัเพิ่นเบาบ่าบามีดอกธนาคารไพ่ผู้มีเงินหลกระใสในถุงเปล่อีอตาพรำเราหยันกะมวยจูนมายาดแยงขันเสียวราาอกวเบงไปฟังไวนห ย, ยานเปื่อยผางนัละนะสาตาน Oh, oh, oh, oh, oh, oh, h h ตาพ้ำจิตเด่นเสียวผู้ที่เ อ, อยู่บ้านทั้งเขตทุนิววเวศคนกลัวเงินคำไปฝากเขาเอาไว้ฮะพอสมเจตตาพ้ำเล็้วก็พายถุงออกเที่ยวระเดียวหอดปอนบ้านสายเข้าแต่เขาลืมะ พามเลยเก่งเงียเรื่องเลี้ย้อมอบเงินคำไม่เสียวน้ำไปกีบซอยเข้าเอาไว้เอาสิไปทางนาหนา้าขอไปบ่อใดอยู่พามเลยละจากเที่ยวขอไปเรื่อยเรื่อยดอกคือเขาเกาลังฮเสียวปูนเาอยู่ยังเลยเกิดป่วยกะทันหันดอกคว่อ มันจำเป็นบ่มีเงินบอเสียวอหอกมาใส่บาเงินเสียวกู่เอามาไว้เป็นเงินไทยสีรอยบาทเขาจำเป็นต้องใจใสจจะง่ายเอาไม่เทีน ต่อจาก น, านั้นชูจกไปหอดแคแวนตะเวนเที่ยวรลอกหาขอประชาชนเขมินเอียนในเที่ยวเฉยหอกเลยไวบ่มีเพท่านในเงินคำได้เกือเกาเลยกลับมาบอกเราข อ, อาเงินที่ฝากไปอยู่น้ำเพื่นเซียวสายทั้งผู้เซียวก็ บ, บอกว่าไม่ ไม่เข้าใจใจเรกไปหเหมือนเขาเสียเทียนเสียวเสีย า, าบ่อนทานเสียวเลยอลูกสาวให้เป็นเมียพามใส่นีเสียวปไปพามเอาเกี๊ยวขนางหน่อยนะอามีตาคุณโย ในเมียนอยกะสังปินน้อยโออีน้อยน้อยเออแนวคุยแกศากด่ออยาพวมกงอยาคนกาดเลยถูกลงทั้งลัดจากเต็มเงินจากสองลาน เออตาพา ม, มีเมียรนอยยังสาวใจติน่นตึงตึงขาดบุญกูมาตึงไดเมียสาวซ้ำหน่อยตาพา ม, มูอุยนังเสืยงนะ เออจักปะั้นในเรียวตาเวียนมันจังสีคำคกูจะคำกับปันเน่ๆตีตาเวียนในมันเลือดดังวันมึงนี้ะมึงนั้นคำเทะหนอมึงนั้นคำเทะหนออีตาพามนั่นในพอบนของเต่ อ, อีเมืองนัง่นนา เออต่อจากนั้นนิตาภาพทองปางพระเมียยังหลอกขึ้นกับเมื่อควอมอๅคุณตาเสียวสายผู้ใจกวงอาพระเอาดวงสมลาอมิตาเฝ้ายังขึ้นตึเงติ่ น, นบรารังอยากความเจีมนิงมอ่ะ หลายวันมาอมิตาหนาังก็เกืออุปตะขัวตนค้นทั้งหลายก็อิจฉาว่าอีนางสังทำในพากันไปคอยตอนอยู่ริมสาเจ้าพาเสบังคุณเอาไม่ควรไม่่ันลำใส่หนงัง พ่อกับจากทาน้ำไม่ได้ผิดนางสิเมื่อทุนนาวิศพ่ออยู่น้ำเนาไปไดยให้พี่ไปขวาเอาคนมาเป็นถาดถาพ่อทัาอย่างนั้นสิเมื่อบานบ่ออยู่น้นคนสิออกจากบ้านตาพามสังลอกมีควรนามิตาเอา มีตาเตียมของมาใส่ถุ่งนกน้องไว้ยามสิไก่ขันเมียแก้วอีต า, าพามห้องาย ห, หูสวยสัโกก็จบลงกตอนนี้สีล้อเนียนะกวอ น, นะล้านเอือ เออนนนเนฟ้า กันนี่ก่อนแม่ป่าเผื่อเอิ้น่าจุลปูนบอ น, นิตาจโจโจกพุ่มสังเมียสินีบ้านไปขอคนใส่มาทำงานเน็ดเบียกซอยพอเมียสาวซำหน่อยแล้วลังเหลาไหวไป หงอเขาน้าเต้าเหล็กไฟโป่งกติบยามิดตานั่งเตียมเมาเส้นไทุงเป็งไปบ่มีเนื้อไรอยากกลับมาเดือเถ่าหาตาพมาหมหัวห่างหายใจหน่อยอยู่ควายอ้ยเมียออ ถึงเมื่อยา้มคำก่อยเข่าบอนนอนลาปิดประตูลงก่อนย้ายไผมาไกยไผมาปุกมาเอื่นไหลประตูเจ้าย่าเปิดเบาบานเหนือบานไตมาเบาเจ้ายาขาน เล้วจึงออกจากบ้านพายเอายามเสบียงกันเหลียวหลังคืนเจ้า่าเปลี่ยนใจดร้อน้อ ง, สงเสียงมาเซลเซห้องทั้งเหม็นข้าวน้ามออาดเด็ดหน่อยดึงยามไว้บางคนไในและนี้ไน ย, ยินข้าวเตกี้พญาวิสันดอนเพิ่นนั้นมีศรัทธาเปบาลามีกวง ตอนนี้ไปทรงสร้างหนกจีไปอยู่ในปากค้าวควรไปขออ่อนลาบุตรตาเจวรกต่อเมือง มองไปเบิงนุกเอียงมันงอยงารอกสาขาพามาหน้าเรลาดอกป้าตองล้มตองนใบตองหังปิวลงตูนคือเสียงโนดังขวักขากขวักขากมองเห็นทากท่านไม่เป็นทันดอกทีเดียวนะ เออบ่อชะนะเตสิวมต้นใหญ่ดอกใบรอกมีลำโงลำกุดมืดมุ้งเขียวรวมนะบ่มีคุ้นไปมั่งถังฝันในเปลนเป้าเพื่นคุ้นสมัยเก่าเพื่นบ่หินเกเรคือรามดังทุกวัน อยู่ิี่กาบอนบานตะพามเทียวรอกเดินพา้าพ่มอยู่ในปูผาไปกว่ารอกคนใส่นะในตอนนี้เก่าถึงนายพันผู้ผู้มีสื่อเกตตะบุตรเทียวอัญญิกงยังสัตว์อยู่ดันดอยแถวนี้บ่มีคนใดกล้ามาเดินไก่รอกเก่าวลวงในมือ น, นันผ้านเก่ากลัวงานไผ่น่ากลับ้องมา อยู่ทีกาบนบานตะพามเตียวลอกเดินผายพุ่มอยู่ในปู้าไปกว่าหลอกคุเฝส่อนในตอนนี้ก้าวถึงนายพันผูผูมีสื่อเกตตาบุตรเทียวอัยิ่งยังสัตว์อยู่ดันดอยแถวนี้บ่ามีคนใดกล้ามาเดินไกลรลอกเก้าวลวงในมือนั้นพานเ ก, ก, ก่ากลัวเงาไพนากับห้องมา เออในพันยงางสาสายมากกว่ารอกโดมมาไปทั้งไปทั้งมันจะงอ่อนในเฮ้าตัวหนึ่งหูมันเหยียนหลังไลาไลซื่อบักโคกสานั้นตัวหนึ่งนั้นดังแลลมๆขาจอมจอมคือบักกันมีทาหัก ตัวหนึ่งหางอโลเล่นไว้พราปัดแงซื้อ่าบักผักอีตู่เห็นหวัวจริงไข่กาบอปุงสี่ขินคู่ลวงตุงฟังเสียงหอนเฮาเอาไว้เป้าเล่นมาส่า ในมือนานหลังจากเขาปาไม่คันดมจิ้นเสวงาเห็นตาพ้ำไพ่ถุงยามไร่ราเริดดันดนะมาทะั่นห่มเข่าสิกัดเอาขาบเอกนองตาพ้มจงไม่คันปินขึ้นไปอยู่ทึงนะ เออขึ้นไปนางทอดทะหนึ่งเอือนด่างมาพอไรพันมาถึงกงตงธนเริงเป่าอีตาพามคุณเถ่าเลยลัวเลี้ยห้องบอกเฮานี่เป็นทูตเจ้าขนงเ ง, งาปูบรลอน เฮาสิไปกาบโกมวงพระเวทชีพไอเอาสันตาไปทุน่นฟาลราออกไงสงูฮตัวนั้นทำผิดเดียวมาร้วนลำนอกใครคู่กุ้งธนูนาไม่สิยิ่งใส่ทูตพระองค์ ตูจุงมารับตน้นปีงามดอกสันตากาบลุงสาสามที่ส่วนเนาเบาเรืองนา้าในลุงกุเลสวยสะกโครกโออวดกว็เลยขอโตัวเท่าทั้งจาวรักกอนวานา ต่อจากนั้นผ่านไปส่งเท่าอิตาพอเรกจูจุกบอกคนทางไปองกเปลพองค์เ่นส่งยังฟังเสียงเขาเรกท้องตูมันกันโคโยไปดูไปหอดรมหลวงโคเลสิตาดาบททานตะวันคอยเอกคำลงุง เออตาพามเขากาับกุมหรือสีท่านดอกดาบทหาวควา ม, มาตัวดังที่ปินมาเร็วววาสิไปทุ่นไหวองค์สันตาพญเวทปูบรลุมพื้นเส่พันธุ์เ่าะอกดวนมาดาบอฟ้าเมนเก้พรงเสือรอกจังคนกระเลยเจอจู่โจกใส่ปักเ้าเรายั่งจุลภูนสามสิบาปากฆ่าท่าเทไรวาอตาพัมเดินป่ไปน้ำหลวง ท้าดับจออยู่ป่าลุงสิงโขก่อนแม่ล่ะด โอ้ยโอ้ยโอเยโส้นโอน่โอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยโอกยโอ้ยโอ้ยกอ้ยคอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้้ออ บนตาพามไปร้อนค้างน้ำหรือสี่พักจอดความโกกเกลีลหรือสี่เท่าผัดเสื้อความพราเตตื่นหนุงโซาตาพามจากดาโบดจานมันเสียเวลาบนลสิไปบ่ทันไก่ กุ้งสนใจสีเอยตาลาลัดเอื่องตามันสิซาบัดเดินป่าเรือสีบอกภาพมาหน้าหนทางเที่ยวดวงดันใ น, นมันคู่สูนี พอว้าแล้วตอนนั้นตาพันจากฤสีเขาคีรีดอยหลวงมีมูกวงฟันตีนฝูงกระริ้นมันหน่อยง้อยทึงไปต้นไม่ดูะนีอื่นหากู้ก็ะรอกแกนงาไม่ยอยู่ทึงต้นดอกง่ายยัง มีกะป้อมกะทางเกี่ยบางนกมันบินมองเห็นอินเทนินเกี่ยวปุงสอ น, นอเปลียนจุมนกกะสุมหวัวลานมันน่ะจินเหลียบตาฟังฝูงมูกว้างมังตีนมีเม่นเต่าเล่นนะฟังเสียงอึกอากห้องสร้างปางงวงงัวกะทิ้งเขาก่อมมันเล่นวนนกหาสว่ มองดูผู้ขวงญกันมัน พ, พึงโกงงงนฝูงมวนงอกงามเป็นธรรมดอกเถือนเทวฟังเสียงหนกอีกเก้วมันเดินได้อีตาพามตามภาษาเราของหนกปากเป็นมันนินตัว มองมึงจวงจันคู่อยู่ตินผู้เกิดเป็นมูทั้งจมผู้ไม่ว่าใจเขยียนต้นดอกรูรูนะ ตูนยายๆน่อยๆเกิดเป็นมูดุษนาบอีเม อ, อเมออเมีัะงอพึ่งปาพคุณลุ่งหักโลมลุ่มติต้องเองแข็ะขาเองฟังนอกดังดังยาวๆบักเนาวสีเวื้อวานตานต้นดอกจุปนอฮะ มองเห็นปาจีโอนต้นมะควงอ่ำพะวันมีจันแดงจันขาวเงาดังมัดลมตองต้นกันของงวดกาอินทวาไม่ขีเทามีกอพิกอเหลามีเกลือใบเกลนอุม่มสมลมเจียวมืดมัว เจนอยู่เตะบุ้งไม่เม็นหางต่อเป็นตาปีพอเอ้ยมีมันง้อยสาขาสีนังกินดอกข้างมีมนาตาพามกัวเก่ยงยานเลยหลบไปทั้งไม่มาพูนป้ายโบชนะเตียสิบ่อเอาเพียงโยบ่บว่านยาว บัดนี้ไก่หม้อแล้วสิถึงเกตอาสนแต่พันอนเศร้าพักจากหนึ่งคืนส้มเก่งพอ้อยนางมาสิรั น, นี่ไก่ไปเขาป่าจังสิไปกับกุมขอไตยลูกปน呐 เออตุกลุงใจนอนในธรรมลอเวลาหอดมื่นตาภาพน้พนอนมอทันตื่นมาพูนกะสิคงลงไว้าวากายเฮาหนาเออในกันนี้เพื่อน่าไหวอยู่ในหมวดชาโรกมีแปดสิบปากคาธาทานปูฟังคงจำได้ ขอไปภะคุนตานเมธิจานพวกนักปาดขาดหรือเขินบ่นอลแม่งไงเป่งสมเขาแซน้ เสียงคำภาพาป่วยเป็นคนเต็งเปลนดาดปล่อยขัดปะเพนีเหตุโบราณขานันเทเวทสันดรชาดกนี้นี่ทานดีเป็นตัวย่างเพื่อให้ปิดแ น, นวทางกันทันทีไปเบื้องนาแม น, นีบ้านกระบอเองนาเอืาาอธานัง ท่านทั้งเงินเละเบงทั้ ง, งสร้างเผือกดอกกาดิ้นเพื่อสวยเรลือคนจนภัยประจารุงป่าท่านภูมิสัตว์ท่ากากระทำท่านบ่ไรากาดบ่เป็นท่านบาทแบงไอคนยองเอาซื้อเสียงนะ เมนเอาทานบ่อแหกคือท่านเวทสันดอนเอากาทัานตามีเท่าเที่ยวสิทับในคอยฟังไปเรื่อทานพา ก, กุมานกันที่แปดตอนมาเสียนอนตื่นคืนสิแปแก็มดอกเรื่องฝันนอนหู กันที่แปดกุมมันมาพ้นกันทีเกตกะไวลุงปุงไว้บนตาผ้ามไปนอนท่าอยู่ในพาธรรมเตือนมีแปดสิบภาคคาทามาพ้นบอกเพียนหนักมันเพียนจงอภัย นับแต่พระบาทไทยทั้งสี่ในปางฮิ่อ้อยได้มาเนงกูดบวชพระองค์พระสง์ตาหวังเอาโพธิที่เกวสะพันยูดวงยอดบำเพี้นเพียนกอส่างทั้งเขาบนสิไปฮะกลับมาจากป่าไม่กับปนมํำกันหายเมื่อ เ อ, อาจารีนอนตากรูปรุมุสองน้อยนะ หน่อยบนน่อน้ำก็เลยมอยลับไปพอราเมื่อยจากข้าวเดียวผัดสะดุ้งพาว่าปืนนออกตื่นตัวกัวได้ลูกอ้อนหน่อยเข้ามากอดนอนตากเป็นคันคายอ้อนไหวกันตัวกิงบอกก้ยพอว่าแมนาวผัดคืองอ่อนพอนลงผัดลูกนา้า โอ้ยจักเป็นอย่างดอกโกขาะทังตาติณเสมีนมืนอ มองเงินเดือดดวนคอยมาดลับขอบเขาสูมินใกล้สิถึงเวลาหุงกระจวนควรกูมุมมาสีนั่งกระเลยมอยนอนหลับไปอีกเงีบหนึ่งมาสองฝันประหลาดลามสิรดีหายสรงบ่หินะ ตาเวียนจังปังฟ้ามันเบิกไม่ละใบสีดอกพอ้อ้ยมาสีนังกระโยรลูกมาสวยสีดอกส่งลางใจของนั่งขาริงกามน้ำคำฟันประหลาดตังว่คเคยฟันเป็นนังยานมีบาปมาเรีนตองสิไปเกยพี่ฟาง พอเต้มาหอดเดีวนังก็นังงน่งยองๆนั่งยองๆย่อมือใส่หอกเกศาขอขามาพรื้อสีก้อนสิผ้าที่ตานหน่อยบ่อนานนังเลยย่อมือต่องตอประตูยยวันไหนอยู่ตะเวียนพุนพ่นก่บผูวจนพี่ลูกกันลูกตานเตีงสามคำ 了难发，话皮乌。 พาวิเจ้าสะดุ้งตือนดอกตกใจแม่นภูเรามาผูกขอประตูเตยมเชสวาวขันแม่นโค้นจงชาบอยะตัวเฮ า, หาหลีเรียมขันแม่นพีปลาหายจีต้องออกเกียงมาซีนั่งก็จึงห่องบอกพีปรร่ปฤศีเสียงมาซี เสียงมาสีเป็นคนเกาต่อยประตูตีเปลนพนางนอนฟันนายสิมาไทายบอกกับพี่บไ่ได้มีเรื่องยุ่งกลั ว, ว, วแต่ยังได้ อ, าอา้าวถ้าอย่าง น, านั้นขอเจอน้องนาไทายว่ามาเบิงนอกคำฝันมันสิหรือเสียว่ามาจะโดนใด มัดเสียไข้ความตานอันจุริยนอบมอบล้มเมเป็นพื้นเลยจาว่เหล่ากะีพี่ พี่นั่งหเอเ อ, เ อ, เ อ, เ อ, เอคอนนี้ฝันลากเล่าคือมีเหตุสังหรณดอกพี่น้ยน อ, นอยู่ในสาระเงียบเดียวสังฝันไหนนะเอเอฝันเน้นใจจ ะ, ะเท่าผมเงีวเงา้วลากแอกนองม้อเมือกากสากวเกวความงอมงง เมื่อทั้งสองกำงาวแข็งคมเหลือกาดเข้ามาจับเจ็ดเก้าดึงตื่นสีแกนี้ย่างบแล้วตอนี้มันขึ้นเกทั้งหลังนอกพี่โอ้ยจ๊กเอาสองในตาผานตร้างทั้งสองกาหา เมื่อมันกามเขียนนองมาสีนังวิ่งเลียนล่มใส่ต่อไม่แก่ น, นเหลียวบางเหงือาบย่อยมาสียมวยลามเงโงลู่ พอจะมันจากแล้วมาเสียเตือนอกมืนตานึกว่าเป็นความจริงสดสันสายทั้งยานน่ะคอยผู้ที่ยันแต่ทาในดูผู้เรื่ององค์พระเวทและเรื่องพนังเบาคู่สุนวจากน้อยนี้สิเรธลูกแก้วสมองนอละอ้อสีดอกสี คันมาเสียบทันนี้ส่วนกุสนสิเพืาหา่หาหาควรกูตัวนั่งเกลียวไว้นี้ไปขอบป้าพระบุญส่วนนี้สิมี ล, ล้นเลือนประมนานตัวจากนั้นเองรื้ยเก้าเติน้นไายบึงหดอกคำฝานน่ะ มันเปล่นล้างทางดีเหตุปอมีป่ อ, อนไอยเธอบอกเคยกินก้อยบอกเคยนอนดงงไม้เลยฝันไปดอกปินต่างคนเคยอยู่ในป่างจากมานอนป้าไม่เลยฝันลาวน้องยาเครื่องฮเรื่องเล็กเล็กหน่อยหน่อยจะอย่าหวังให้มันไหลดอกคำือ ตาเว้นสายพอแหไงทาวคืนยอ่ามาต่การนายจ่าดีท้าวสี่เอียวยาำลูกน้องตื่นเลี้ยวเวียนจอเสีแเรียนวนมาสียนางกับกลุ่มทุนมาป้าสามีกับมาเอาดีสวยสีดอกสุนันจูมเบานางกันหน่อยมากินน เราอ้นสังลูกจะได้แอลางแม่สิขอปาา้าไม่ตยาีนองเอบึงกันนะต่อจากนั้นนางแล้วลูกหน่อยมาฝากที่พระฤๅษีทั้งคณะแม่สิไปรอกในราวะเจ้าอย่าพากันในนี้ไปไกลเด้อลูกแม่จารีเ อ, อ, อ้เอเจ้ายายเแลัว ไ, ว ไ, วไบื้องกอันนะ เออพอเตสังทนนั้นเลยเข้าป่าคนเดียวเือเอาเสียมากนคุเพื่อประสงค์มานอนอยู่ตีกาลงไว้มาเสีรังเดินป่ามาจักรา่าพมาหนาะนอนอยู่ในเตื อ, อทนทมเลยเตรียมตัวต่างละตื่นตัวนะ หายเอาถุงอุนอ่นต้นเข้าไปสู่รกอาสมกาปังค้มทุนคอาตอะองทรงเก้าวขควาเอาสองกุมหน้อยน้ำะองสิเดบ้กควมเทศบานเขาย่อว่าพะองใจเกะกาสทัทธารุน อ, อกลืนคน หรือิีลบ๊อพปูนกังวลหวงดอกบุตตาไฟตนอาลาจียังมืดมนบนญบ่ใส่เก่งขันสีแปลงนทางไปถึงนิราพานปูนจงท่านสายาสายอยู่องค์แพร่มองพรูอตาพามกักแล้วอยากกินแก้วพานิพานน่ะ เออพองเล่ยเกาตานอ่นเส่ดอกปวดตาพอมาหินแล้่วสงสารเลยเพี้ยนใจคอยอิ่มนะพาม่พัาจูงงดใจรอกแยตาน่งพยาผู้ไปป่าขนนังมาอดเล้วจุงเอาเกี่ยวรอกดวนไปนะ ตาพา้มในตาเรีวเลยจกคุยที่สอนยาเสียเวลาไปนัดวันประกันภูงาขันสีกินกินแต่มันยังหอนเกงบอลหมอกขันปากค้านมันยินจังเสียจำ้ำเตียงตา อ, อ้อยอ่อยบอลุ ขันศีจูงใจสั่งให้ท่านสายาสายอยู่เมียกับมาลรูศิเสียทางวันศีธรรมองค์พระเวทปัดยังสามย่านบุญเสื่อมสัทาก็เลยท่านสองสีแก่พามแต่วันนั้นเออจับเอาคำที่นามเทรงอุติต ท, ทรงอิตาพามลังกง โอ้ยมัดสอดส่องอ่อนน้อยทั้งตีตอนในธานินาเอาองค์กำดับนิ่สิฟันฟาดอีตาพามมาจิตินควมสาดิีลนันควมบ่นไปแล้วนะก็เลยทุนนวดการหวังนิพานนอ่วงยอดตาพามเอาไม่เท่าตีเขาหอกแสลังฮะองค์เวทนั่งนิ่งบอกแกปากจะรอมดอกกอ ผ้ามันออกสองสีหางตาลาวินมานทั้งดึงทั้งตื่นสองกุมมันลมเลียวแล้นตาพามเสียฟาจามกัลลังกาเปื่อยผูนปูน โอ้ยนอนำนนเอ อ, อ, อไปวัดทางโคตรกุ้งสิยประโยชน์พอประมาณนี่แตาพามเลยดื่แก้วสองหน่อยอปิ้นประลันนินก่อนอยู่ถึงผาทาราหมือนพามเลยขาดดาดลุ่มถุงปิ่งบัดซ่าซ้ายนะ อ อ, อมามัดเนี่ขอสรุปบนตายกันที่แปดกุมารพระเวทท่านสองสีแก่พัมไปแดา้า มาถึงทางสองเพียงเหตตาพัมเลยพักเหนื่อยตาเวีนคำเมื่อแ้วตาพัมเตาวัดพักนอนนะบนหนึ่งนานเป็นทางไปสุกรนนักเกเรศีพีบนหนึ่งทางใส่ตุงบนสีขืนเมื่อบานนะตาพัมหันหัวแวกันลืมบัดนอนตื่นมัดสอดส่องอ่อนอ่อยอยู่ทางใต้บ่อยรู้ เอ อ, อตัวทอจิตจะลัดหนูไปแคนดูอยู่ทึงไปขยายความตอนจุบมาต่อกันที่เก่าตอนมาสีเ่เดือนเขาปะนาวันดันปาหาว่ามันเละมากไมนบทันในรอกเตา่ามนะเบียดเสตุนมากกว่ามีแต่งาบาทันสุกตัวเขา มักเง้ยวเรื่องเป็นพวงยังไปบ่มีสาม เจ็ดน้ำซองกุ ม, มาหน่อยผู้กองก้อยตาเมเลียบังพวงหมักตองลิงปัดยำนกจ้องกินฮะเสียมกระดามกินกินมาสิคนอกหัวมันกูตลงไปบอทันถึงปัดเมี่งเสวยบอนเคยมีเคยได้เพื่องไฟบัดกูรนุนวนไปมาาสิพออยู่ถึงตูนปัดเป่าเปลี่ยนนกน้กมือ เอ อ, อมาสีแขนก็ไม่อยู่ในดวงฟังหมอดองฟังเสียงนกคุณต้องจับจุ่ทั้งน้าไม่เหมือนคันคู่คูว่ว่ามีมาเสียคนกะตาหน่อยลงกมาจากดอกติ่ภพายพ่ อ, อยหัวมานหัวก่อยกับามีเนี่วเลยอ่ หลอทั้งเหนือามาทั้งแต่ไปมากก ว, ว่าเมื่อยมืดอเงไปรยนั่งเศร้าขมสีบอกะบบมีปานนี้สองลูกหน่อยกัทั้งพ้อพอลาลสีสิบอม่เีวกินดอกใสเพียนจังหันเศร้าว่าสิเศร้าเมียงไม่ยานเต่งยงจีไปสิคอยเร็วก้อยอยู่จนตะเวียนไม่กอยบอทัานใน่บบฟอว่าน เออปานนีล่ลูกโยบานสิคอยแม่กันอยู่ทั้งหัวม้านัวก้อยกะบอมีสิกินแก้มนะแต่กวนก็ออยังไรไปมาบอมียากปอกจากบาปาเตะปัดเตะ เ, ะเข้าปากระเอา สายกะเศร้ากะซาผัดลูกปลาเลยตูกเกือจังมีคนถูกเกลึ่งหนอกถึงเตือนนะขึ้นนำลายลงต้องคนหวัวพ้องตาสามินไปได้โน่สิมองเหียนความลำบา ก, ากจาแกนเตะเที่ยวเขารอบปลาเขาหนเลียวเบื้องนี้กะศ้าผัดมีเนี่ยบอท่านหลายเกาคันเอ ผลปลาตังหัวมันเอาเมียงกระปั่นนั่นนะตาวันเลี้ยงลูกก้อยสิกลับเมื่อยานกแก้วมาถึงทางงัปัสิลาเกื้อนอกเมื่อยานนะเสือตะยานมาไก่ตั้งสามตู้มาตันปวงมาเสีนังยงยมาสียหนังยอยกันกว่าไปนะ มายากลายนานาอีพ่อ เสี้ยวหมากเม่กมีเนี่ยบททันไหลายดอกตีเฮ้อลรือเสีเ่ยวหวานเสียบ่งปันก็นยังในน้นองเป็นเมียชีพายนี่ไก่เมืองมาเอากลางน้ำสันดอนปญญาเวดเจิญที่เปิดป้องในนางเสียเป่าดอกเตา่าเมือง เออจังมันเสือตั้งเกีงไปเตียงมาปินเห็นเวลาสมความจั ง, ง, งก่อยนังเงขึ้นบันอืออาติดจอดลงก้อยไปจันทุกอพุพุงหงขึ้นมาเมาเมาเก้าแต่น่อยต่เกียาอ่ มา่อเสมาวาดปานปรันเกิตอสุมบ่็ยสองกุ ม, มานมาดทังค้อยจองอาตาเดียวมองทั้งขวาซ้ายบ่็นกายมาอือเมีวโอ้ยหรือเหม็นโจอยากจูไปนอนกูอยู่วันไดนอ มาเสพผงกาตาแหวกเอาไปซองในยสูมบ่เห็นหนูกิ้งกุมเกิดเป็นปินล้มอายนํามาไวบนเคยินหัวสาะล้อก่ต้อุ้ยตะเวนตกลาปามวยแหนแกงวันสีไป ยาบก้ามา้านั่งไก่ต้นปีปฤศีแม่นเปลี่ยนกุ ม, มารลูกป้อนนเป่าองค์ท่านนะฤศีทำทรงหน่งหมดติ่งจ า, าปากหลวงสาราแลน่นอยู่น้ำเอื้นไปลเนืนนะ เหมือนมาเกินลูกหน่อยมาจินเปือกมันก้อยมาจินเปลืองไปสุกแม่มาซีมาแล้ยวเจ้าอย่าทำสมรีนี้ไปไกลฝ่าเลนโอ้ยจวงเอาแขนลอนลาม้าแม่ลูกแม่เออมา บอลลูคืออาบน้มในสาบุกกาลานีลงไปงมในสาสีกับบ่มีปั้นต้องขันเม็นเสือจิ้นหรือสั่งบ่อยอน้อยรากกันเม็นแค่อยู่นามจิ้นเจ้าเลือดบ่แรยงลูกคำองย์มา เสียงประจานพ่วงเสจจามาสิปินถึงป่าเอินรูกจวนวนโอ้ยพากันมาสะก่อนโัวแมวอยู่จุนจุนนัวแมวอยู่เจ้าเจ้าเราเต็มตาเตรียมบงเทือก เออมาเสก้นกอกสันกุกสันสันเอื่นว่ากันนเมริคเลอมร เออกันนะเอ้ยเจ้ายารใจใีเอ้ยเจ้ายาล่อส u งเรียนไหนแมหาร่องคเดิมนะกับขึ้นมาสะดือามาจนโนมน้ำเมีเรืองคำเดิมนะผุนมากันมากต้องมาสิรังสีเราเสีย มาซีไปจนเพียนะประมาณตั้งในข้าวไก่ซิปาหยดเดนหนารูกอ่อนหน่อยห้อยจอกกับบอยอนน่ะนางมาซีขึ้นกบว่าเลี้ยวลงมาอ้ยปอป้อมป้อขึ้นต้นกวาเลี้ยวต้นสูงยงย่งเม่กาะขึ้นไว้มาซีไอรักยาวโย อ, อกับขึ้นมากาบกุม่มพญาวทธิ์ที่ไปอวดพ่อไข่คำจ้าบอกผ่านัางเนเปยงงไงนังสิายบ่อยนหนาสองกุ ม, มารลูกทั้งคู่ปีเป็นโคนอยู่บ้านเราสองหน่อยไปเสียงใส่ เออองพระเวทเจนไทยเลยแค่ปากจากาันปองตามเสียงแข็งสีคูนังมาสีใบยมาสีโอยไปเสียน้ำเจ้าบุตร า, าพี่บ่ได้กันเลี้ยงลำยามาทำน้นยาทำตาห้องไ ม, ม่น้ำตาย้่อยสิพอทานน่ะ เธอนันนคนมากแต่กันในเรื่องกรมาคุณไปอาคุยไปะ ย, ะยัตอดอยู่ปา ร, รอนบมาบานอือสังงันทามลูกในบ่อ ย, ยนจ ى, ีผู้เป็นปีมาส่ไปในหลวงนัดในพันไปกบสู่ตะเว็นควายคาบอมันะ สื่อมาหมาญห ย, ยิงของผู้หญิงมันไล่ตากันน้ำตาบ่ย่อยเอาน้ำตามาสแสดงฮงเอาน้ำลายมาเตะเติมน้ำติกคำโบราณเอาหัวผ้ามาเอาคางเห็นความจูดเล้วเปิดในคนผู้ชายกบผู้ชายบ่เลือกนายอย่ามาลอยพีรงฮ ขันแม่นเนาอยู่บ้านพี่สังพี่สีสังคนป่าหานนีน่ว่าสงสารพ่ออยู่รุงบ่มีเตือนบ่ต้องมาเวียนบ่ทำนาเขารอกรูกั น, นินไปนอนหวมสู่พามปู่ปู่ปารุนะ องพะเวดปลาเล้วเลยนั่งอยู่ว่าจากไคพอปันไฟลุ่นต่อจิตเาแรงมาจินอือมันเสียใจเก่นพอปันอาโรคคนต้องโอ้ยขันนั่งปิดนั่งเ้ากระเจนตอนปีพัน นางสีย้องใย่อนใจไว้ไว้ใจไว้ไว้สิแด้สว่างหวงทั้งลูกทั้งผัวใจบอกก้ยกุดเรลียวย่าเรื่องเสพนางวาหวมีพี่สั่งบ่อจับออกข้างมาเป็นลิงเป็นจริงโยใสมาอายสั่งจาาข้านั้น มาเสียนใจสันสรบลงพ่อลาม่อยสวายไปมิตรจไปเสียนกาบขานพาน โอ้ยน oh, oh, oh, oh, oh. ังเออตัวจากนันนงปะเวดนหมูบวมองโยรอกดูใจมาเสืยมีฮักปี่อยากร้องใจเจ้าฮะสังเป็นคุ้นใจเบาเสมาตายกะกลางอยู่กลางไฟบนไหลมูดอกนางเอู้ัวนั่งกะบ่หมุ่งเสือกะบ่เห็นดอกนางเอ ไปเนพมูอายไปปาเผือ ก, ก่อยมันเอามาฉันปิ้ไง่ายนองสังตายพอความแขนเสียนสะุดใจโอพ้อพอคำจัพญาปีเธอรันเป็นคนดีตายพอความปากพอผัวเจ้าดาประจาขันไปตายอยู่บ้านปญญาปู่กูบโลู ยังสิมีเงินต้องเต่งกะลุกในงามโคนว่าจะชนทางกายสิมางั้นเนียนอังเมาเร่เสียบซองมาสินองเห็ดไทยส้มนะพี่สิต้มน้ำหอนผสมจินเสนจันหลอกข้ามือเอามาส่งนางมาสีกดกะลุกงอกข้าเนียน สางมาอุกใจดีม า, าพเบย่ยอนปากพอขันสิปังนอนเนือเสียมเงี้ยกะบอมีขันสิพอเจียมเจาอยู่ในป้ารงนามิดสิมาฟันพื้นกะบอมีพอรัมนาย่อมสิหามศพน้องบ่มีคูนสิมาสวย โอ้ยขึ้นมาสาออนหน่อยเกิดมาเรียงลูกหน่อยปะนางลาสังสิป่ า, าอเออสังสิป่าพี่ปีนป้องอยู่กลางป่าบา่มีไฟรอกนั่งเอ้ย อ, องค์จีไายกะระร่งเอ่าหลดบ่มีควมเอา เอามือกำดูนองลองดูยังอุ่นอุ่นวิญญาณหนูจอมโคตหมอทัศ น, นอหนกจากกลางทางสีแเกกัยอมนีนาพระเวทพระท น, นีนเล ย, ยอนออาติธานขอบนบันติปาทิ ป, ปรายมองเยี่ยมนาพระจึงอมอารามคันที่ขึ้นมาเป่าหน่อยบ่อนานเจ้าก็อปืนหนกขึ้นกงมานังวง นาเออองพะเวดจำโจ้เล่บอเรืองทิตทานบุตรอกนั่งเออ ตั้งแต่ควบสุดปลายแกมีฟังเก่งเธ อ, อ่าเสียใจตอนจงขอพา้อนเือให้วาสวนบุตรตาลูกก้อนหน่อยพี่ท่านไม่รอแกพามมาสีน้งอย า, นาินมตั้งตตอ ก, กันกุศลลูกสองคนที่พ่อท่ า, ทานจงค่อยเปินสพานเจ้า พาพระองค์ไปขึ้นสวรรค์ปุบไม่มุมฟังหายจากค้อมอุกอังงพาอเตี้วเรื่องเล้วก็ใจสวยรอกซึ้นบ้านฮะกอจบลงก้อนตานก้อนสิต่อสักกบันกันมาซีมีเก้าสิบผาคาถาอะไร่ามาจนถึงทีมนะกันมาซีขอสวัยอวบังลงคงแล้วไว้คอยฟังต่อนาดัวไทยสถาทาน กว่จงลน้องโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้อ้ เออผัวบ่เสียเมียบ้างเป็นผัวทอหอกเมียไปเป็นผัวบายเ ม, ม, มียเยก็บซอยกันสิมิเรนน่ะเมียบ่มีใจเดียวผัวโตก็ใจซื้อเถอาภพเมียนซีของพระพุทธเจ้ามาเข้ารอกใส่ใจนะ เออเจ็นอย่างไหนเรื่องนี้เป็นตัวยังเมียดีพอเออยในตอนนี้ตกมาถึงกันที่สิบปอนมาสีสรบเฟื่นขึ้นมามีสติต่างทําเจบาันซึนมุทนาพัมพอมผลลําไม่ซ้ากัน เออต่อจาก น, านั้นสองพระองค์ก็อยู่อย่างตั้งต่อกระทำเพียนถือคันตีความหุดทุนบํบนถึงหนกความายอยู่มาไายวันไหนไปอินทา่ทาเทวราชจิตจักรลองเบื้องบางกุศลทนันนสิสาไใดเฮ้ เออพาหินท้าจึงในแปลงเพดดอกเป็นพนามตั้งหัวข่าวฟันคอนกากกลุ่มดอกกุ้มเมาตรงขามาอาสมน้อยเลยบังคุ้มเป้าองทานตอนนั้นนางมาซีบวดทันออกจากบ้านหนีไปเข้ารอกป้าเขา้า เออพามอิอนแปงก็จึงว่าทุนเรารอกวันขอขกาวองชีไปเปร์กูสนขวามันบอกเคยขาดควงไว้แนวไรกูตกยางลูกสองคูและสางเกี่ยอย่างทานแล้วบ่ห่วงนาง้เออมาบัดนี้ขายังขาดกูสอนในนอนโยคนเดี่ยวเฝ้าเออ เก็ตเต็นเสสอเรียวนังมิงมาเสีรอเมียทัานน่ะบุญสมพานที่เคยสร้างอยากเอานังไปเป็นกูจงรู้ตนวผู้กาผู้มาเอารกเที่ยวคอนะเออตตอจากนันหลวงพระเวทเลยเกาต้านเอื้อมเรดไข่ขานนะ ท่านประสงค์มีเฮ้ากันแน่จริงหรือท่านเพื่ออยากเก่เป็นพทธิยานพระ อ, องค์ตึกกันต้องตวนเน้นสมควรสิท่านตอดเพื่ออยากได้ยอดแจวนี่พันปุ่นบนประสูงนะเออพาจิต้านต่อรองว่ารูก่นมาสิเอยดูกรไม่สิปีสิท่านคนเดียแก่พามันนิ่มนะ มาสีนังจุงมาช่วยผลบุญที่ไอ้ก่อนงสิไปหรือบ่อโอ๊ด้ อ, อกหมบิงก่อนหนาหาทางแก่สวยพิซซาอืมอือบ่อเพืนตั้งไปไอ้บ่อรังเกียดเมียควนรนข้คำือ ถึงเวลาอันสมควมที่ซอยป่วยมันมุมนาั่งปนุมมือนอนนั่งป น, มมนุปนมมือไหวองสามี่ประเจ้าพี่ข้านประองค์อินดีน้องบอกกินพี่ได้ตามเทแต่สิทามน่ะ เออพอได้ฟังนองอ้องว่าพองเล่ากันเลยหัวก่าวาาแขนนั่งมาสีมาใส่เมืออ่อความเท่าายเอาขานที่นา ม, มาที่รอุติดทรงกุศบุญติดธรรมลงกขอได้เป็นพระพุทธเจ้ากันพายนานานเมื่อสิมาแน่ตรู เออีนันนเออต่อจากนั้นพ่อมก็เอาอ้อนลามาซีจากพวงนี้จักข้าวเดียวปัดขึ้นม้าดังปานุมือนอมน้าผูกขากวขึ้นน้องมาเสียหนังนอกคือเก่าพอเค้อินทิราเจ้าเถืงป่าได้หลวงเม้า เพื่ออยากกูว่าเจ้ากูสนแก่พ่อป่านใดเธือริมาเห็นใจพระเวทองค์ผู้สงกาพระลาบุญเจ้าพ่อแล้วพอเห็นใจยะท่านอีกอยากได้ยังพอเสียพระองค์ได้กูสุนเอน สันตุลาเจ้าเวสันตาธิราชเจ้าจงเวาตอขอพอรมีประมาณทั้งเหมือดเปลียปาการแต่เข้านานนะขอสำคัญที่ควรเมาองค์เจไปได้ขอปอขอได้นางบานนอกคืนกุ้งสุรากรนนะ พญ์อินฝ่าวรับตอนพร้อมตั้งแปดที่ทรงขอพอสีขออำนวยใหญ่แก่ อ, องค์ผู้ส่งกาอินจึงล่ะยังเจ้าส่งพระ อ, องค์แล้วคงเต้าขึ้นสูบบนฝากฝ่ า, าจุลาเจ้าเซวมานีสักดิบันจบตอนนี้พระเวทจูนในเข้ามาสิเอาอานาจมุ่งลปาละไมอูปพระธรรมสุขคำอยู่น้ำกันหมดเลยจมสมกับเป็น เที่ทุนลานนอกกาควรนเอื้อนี่ละบอนเปิ้ลม้วนเอื้นว่าศักกะบันสี่สิบสามปากหาธาส่วนศิลาลงไม้กันต่อไปจังจะว่าจับเอาความมาลาดขอเชิญญาติ่นองแขวางตาเมียนลาปังดื้อ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 เวทสันดอนเรื่องยอ่อเข้ามาสู้กันสิบเอ็ดดีไม่เมอย้ยมันตกหรือเกินขาดเกินอภัย บ, บางอ้าผู้เขียนอยอย่อนอมตะไวคุณปอ ง, งตานโบ้ได้มาลบหลางให้มันสั่นให้มันทน เหติย่อเลื่องไว้แต่เพียงลอยมันจบอีพอ้ยฟังไว้ไว้จตเห็นจริงบนนิทานมวยเงากวงเงา ขันสิียนในมันเปลี่ยนวนเวียนมันกลวงง่ขอไพนะักปัดฐานผู้เลียนลูกคูสุขุนะมามัดนี่จกได้ขอเริ่มตน้นมาลาดกันสิบเอ็ดก้าถึงกุ้งสนเสโปูปญัญญาปูโนอยังนอนในวังเวียงกลวงเสียพาไทยหัวใจมอนนะนับแต่รันสองโคนนี้ไกล้ปางกลางคูมหัวใจคูมยิ่งกว่าไป เอออยากได้ล้านป่วยผู้เป็นแม่ผัดสุงหว่วงดีโนเะหยือยนี้ไปไก่ว้างตั้งเต่รุนบ่ทันคุ้งอ่ คือหนึ่งนั้นพ อ, องนอดในอ่องสุ้งสุบินนี่มีตั้งพ อ, องฝันเป็นล้างจักสิธีและวายบ่อนห้อมสิเป็นนะพอจึงตัดสังใส่พวกไพรไทยคุณไปน้ำเอาหูวลามาถักทายให้มันแก่งพอหุ่นมาถึงตานเลยบังคุม้มคุ้มกาบขอเดชะพระบตทเจ้าทาวเบืองบาทจุคนนะ เออพระองค์ฝันหลากเก่าหรือเป็นเรื่องปากการใดเจิญพระองค์ทงไขขานยาสินั้นเดนียวนิมนะกุงสนใจก็เลยสี่คำฝันอันประรหลาดในท่านลุงเลขกไทยไทยไอสีสวงใจฮนะฝันว่าสายหนึ่งนั้นลูบร่างอัปปาลักเป็นมะลุมสุมซุยขี้กากเก่งมาเล็กหมูนะ เดินโซเซมาเข่าถึงในวังเลียวปัดนั่งเอารอกบัวตุ้มตัง้งตะไบไอหลอกแกเฮา ดอกนึงนั้นพวมไข่เกีบเกศสอนดอกทานเอ้ยดอกหนึ่งพวมเป็นจูมดอกจอจีบอธันนะท า, นาท่านโหระชงไทยสี่ความฝันอันเป็นตั้งเป็นล้างดีหรือบาดหายจงไทยตอนยาสี น, นั้นหัวละจาย์ลงเล็กต่างเอามาลบต่อคุณหา่านเนีนว่าเป็นล้างดีจังแควทุนใต้ไทยน้า อ อ, องค์บลุมสิส้มในของดีอันมีกาคือว่ายาตพี่น้องนอกของทานสิ เ, เวยมาอันวารันอ่อนหน่อยผู้พ้อยจากดอกมีป่าจากได้คึืนปาลเม่นมอกไก่ดอกสองมือเมือเม่อนั้นกุ้งสนใจเจ้าเลยบัญชาดอกสีสังเฮยพวกเสนาทั้งหลายสู่จงไปอยู่ยังประตูเขาสุรคอน ถ่ายนสองอ่อนหน่อยจะนิราตกันหนาะใหยสวมมาตุน้นบอกเขาอยอสามจากจะถึงเทอีตาพามปุนนันปามนะแขนอู้งทืองงมายให้สองหน่อยอยู่คีดน่ะเอออินจิงการสังเสร็จเทวาราชสององค์ลุกมาคอยดูแลเบื้งกุมมาหน่อยนะ กอยเอาน่มเอาเขาอาหารดีมาปอนมาเลยหันว่าอีตาพามนี่ไปทางเส้นเขากุง้งกวงปูวรุม่มมาพาทิศมมขอฟ้าแจ้งสว่างเสืงสแสงเทวบุตรเทวาดาคาร า, กกาสองน้อยพามมานี่มาน่าขึ้นฟันกอฟันกอกยาอีปโป้ใหญ่ต่อยเหล็กไฟกะปุกเหลี่ยมเพราะปันฟ้าสีพาวงว หัวนเนี่ยหายา้เปิ่งลุงมาจากถึงไปตุ่มน้ำไหเปิ่นฟองฟเป็ดเจ้าข้นสองหนอยนะเออบอลเจ้าหมายทั้งไว้สิขึ้นเมื่อบ้านเกาเต่าตาพามบ่ไปหันทันในเปลี่ยนทงนางนะ สองกุมารยังศาสตาพ่าแเจริงไปไม่เท่าเพียนลงหลังจังมันสู่ลังลาจารีอ้อยเอานองเอาละงงองเสีไม่ไป โอ้ยไก้สิถึงเกตก่อนนกอนกวงปูวรุม์เพรเต็มหุมป้าไหม่เลยเขาเกศดอกพราลาพุงเสนะเขาอินหลดดังโ ห, หนท้ายอินน่ะ เออก็เลยจับเอาไรอิตาพามว่าสาก้อนไปลักสองเจ้าหล่อนมาตั้งดอกเตยใส่ฮะเอาวเอาฝุ่เสนาทั้งหลายยาอะไรมาเก้าเอาวคว่ำใส่ยันกูเข้าไปขอชีพัย้พระเวททานมาเอว่อาเสนาผ้าเอาเกลวไปเอาองค์พญาปูทั้งสองสี่อ่อนนาหล้างลา้าบ่อยากไป พ่อเข้าออดไก้วปลาษาตรกเพียงวังปูบรลมเหลียวเห็นกะเลีนมาสีจุ่มมุมน่ะเป็นจังได้โนลาสองลันตาพ่อทั้งกูหยับขอมาปูโอ้ยพ่อได้จุ่มเพี้ลาสองเจ้าปูหัางนี้ชาลีกาปาดเปลืองไปยาปูรู้สลดกาน้อยเป็นคนพอยยุดพ่อสูงเพียงทันน่ะบุญสมพานสองลานหน่อยบวังคอย ไกลปูร์ปูร์พ่อเวดภาบ่งใจเท่ากบ่หันลานบมสมกษัตริย์หองบ่อมายปองอยากไปนั่งบูนบ่สมเวียงวังคือสิสมแต่พามีเรกไปกวงเถื่อนคานานานาพ่อปูร์ Oh, you, oh, oh, oh, เออน้ำตาปูไหลอาบเจีมในพังฝากลานจามสาสง่าความจีนมากาวจายันเนย์อะปูบอกคือเน่งนาสองล้านตาลูกทั้งกูหยับเข้ามาหาปูให้ทำเตึองปอเจบปูเน่าวกางอยู่วังเพมนา เพื่อนผาบาทไถ่เลตัดสังเสนาให้ไปหาอาหารมาสูภพามนกินเลี้ย มีทั้งหวานข้าวพมเจีงเลี้ยงต่มตอนทั้งตอดมันและหนึ่งทั้งปีงนอกอ้อมเจีงฮอีตาพามทองแงงแต่อดจยากมาไรยวันเห็นสุราอยาเมาเครื่องกิงนน้ำลายย้อยจกินเอาจนพุงโยให้สมโตทองไงีจักขาหมูขาไก่เจ็บ้าไปบอ่ออันมันจินเกียงจนบ่อเั้ น้อยกะทองอัางเน่นไฟธาตุเรียนบ่ทันเผารอควาเ อ, อ, อ้ยกินเอาจนคุ้งคว้าค้ า, ายอยู่มาหลายเมื่อทองพัามเจงเอืออ้อเอื้อพ่อปั่นกองเพี้ยนตุ่มแม็นตีพังกอดังตึงอเน่นบ่ตูดบ่เอี่ยมขันพัมเตาเอ็ดจังไหน้อยง ม่นอนนอน เออท่องพามไขอ่างนาปงกะเลยเตยกที่กะใจพอเอ้ยนอนไงข้างอยู่เจอเลยอพอพามเลยตาคางมือเบวบางไม่คนเท่าทั้งเหล็กไปกะปลูกใจตายป้าสาวเนือ้อไขอมิตาหนาต้องผูกกอง่องาดอกจูเฮือน ฝุงเสียหน้าเมียนขาบเจ้ายานเม็นนาออีตาพามมาไปฟังตามทำเนียมเม็นหมอมีพ่งเสือเมื่อนั้นกุ้งสนใจเจ้ามาออยหลานแล้วตานสังหยับขาม้านังไกลแล้วจมอู้มขึ้นเสาวน เออปูบล้มขอตวเจ้ายาได้เราความลังเดิคำเดูมเสียนอกนด้บางคันดังเดิมจะหยัเนื้หมอเคยสิ้นสังเจ้ากัตตาดอกทั้งสีพุทสรีเมียเท่าคนิ่งเจ้าจุ่มบ่เศร้า เออต่อจากนั้นพญาปูจังเ้าถามเขาผู้ที่ศาสเตสนดอนนั่งมาสีอยู่จังไหนจงไข่สีอ่ยังก้อยสุขี่มันหรือเจ็บเป็นขไข้ป่วยหลานบอกผู้รวยคันทั้งเขาวันพอเสว่าสาวาจารีได้เก่าทุนปูกรุงสนใจเม้่ไปหาหวมันอยู่ปา่าหลวงบ่าท่านคุงอพอเพิ่นท่านนอสองหน่อยพามดึงดอกลาแกะเม่มาสียังบ ว่าส่องขาหลดลวนมาเออทุกตรวดินแลป่าเที่ยวเข้าป่ามันพาจังหันผ้าปินอีแม่ป็นนอกคนคันผ้าทรงรรมีราขากระทรงศิลจำประรวับอกเคยเก็บกวดด่าวรกเครื่องแกนในแก่ไป เออเอาผูา้ผาป้าไม่ต่างสอหอปังเอายุ่งยางอยู่ในดุงเวทละวังเวียนล้อมนะเขากุดโดยขันบนสันดอนพอคอยอยู่พญาปูฟังเมืองน้ำตาองนะว่ายาวลู โอ้โหโอโหโอโหโอโหโอ้โอ <ene> ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอนโอ้โหโ้โ้โหโอออ้ปหอ้หโอ้อ เชือนลส่องกษัตริย์ลามากองเมืองตุ่มไปกุ้งสนใจเลยเปล่ารองคุณข่ารอกไปพูนตาถนนจากบ้านนาคอนใหญ่รอกสีปีถึงกีรยวงโุกร่อนปองทรงอย่างมีทั้งทุงใชส่องมาลาดอกหอมจิน้นควายลูกต้นกล้วยต้นลอยรอกสองข้างวางมาลา มีตั้งสุราเหลา้าจินเมากองสนัน่นมโหดเสพสองกองกองเสียสสนนะจัดเอาหน้ากินสางสามกะบวนพองเล่นมวนโอ้ยพระเจาชนเส้นซอยเตรียมพอมเสียไปนะ เออในเจ็ด้านดวงปูน้าเมืองเตียงเป็นเศษขออันชื่นพระราชาขึ้นจีถึงก่อสร้างทางหลังเป็นกระบวนกาอาช้อันเหยียดติดตามด้วยรถเก้วเตรียมพร้อมนับคณนาพระชจ้าจุดใหญ่หน่อยก่างโงูกุษนาจินสุราจามเมาพองหยอกไงน้อ ย, ายสาวน้อยเอนะ ฟังเสียงแก่นในซอยของตาพูดที่ตึงขบวนเหย้าคืนหนึ่งควนเอาไงละอ้ัน ทั้งเขาตกเดลอกไม่เทียนโูปลอกมาราคันสระผู้พันมากย่ารกมาพน่หวังสิไปเชิญเจ้ารกจีไปกุ้งเตาาฟังเสียงคึก ค, คืนหนาวรังกองสัรนีนน้ง่ใกล้สิถึงบ้อนเบืองเขาเขกตรกุ้งโกศาสาสง้งข้าสัวเข้าเพื่อเตรียมพรอมน่จะจ่าชาชุนนาเนียนบุญมองไฟกาบอทอรอกขออ ยน้าพ่อปันน่นนกกาขันห่วงดอกสัว่วเสว เอ อ, อยังว่าท่านได้เรีวมาลาดกัเลยโจบี่พเยสักกิติกันเชิญสีตอไปองพุ่มไก่ค อ, อยฟังเสวยกุ้งสนใจกับพวกไปมาลาดกันใหญ่นี้ท่านทำประเวททานมันยังกวงหลดุดพอหอมน่ะหกสิบก็ผักคาถาไหนจารกุกคนว่าไว้มาเวทสันดอนตอนนี้ขอเศรุ่มกันไว้ปุงเศรยังฟังกันเชิญกู น, นื่นสักกิติเพื่อนก้าว อาการสิบสองยังอยู่นาถ้าฟังไว้ยบกใคน้องอยู่โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ น่ะมัดนี้มาจากจนเก้าทานนงพาเวจีไพ่เน่าอยู่ในอาสมพัมมัดสีเมีย่ยเกวา่าเพราะแต่ฉันเพลินแล้วสองพระองค์ก็ทรงอยู่หูได้ยินคือคื้นปอปันฝ่าดอกหลวงบู ฟังเสียงเตก จ, จนจนมามิงอาจจะไหนไปปูไปทําลายพ่อแม่กูอยู่ทางคุญญงจักชุนเจียวหายมาทําลายกูพระเวตหรือว่าเป็นเนตดด้วยพระองค์เจ้าเขียดปอเศราวว้าองค์พระเวตเจ้าส่วนเอามิงเมียกวนนอกทานเอ้ยส่วนกันนี้ไปหลบไปอยู่ดยอยค่ยอยาม เมื่อนั้นกุงสนใจท่านก็เตือนพ้นพวกไปหยับเกาไปใกล้ๆเกี่ยนไถน้อพะองอ์ถึงวงกดเกตแกนจะิดบอกไอากานี่บนองค์พญยาธรรมเพื่อนปากเศร้าอย่างยังต่สาระน่อยเห็นเต่ห้อยพะองเล่นนะ หลือเหมืนไปอยู่ีนี่ไปเกินออกอยู่ร้อยในตอนนั้นมาเสียนลูกน้อยทั้งคู่เร่มหาห์ทางพญญาคงสนใจปู่บรกบในมาแกก็จึงชวนกันได้ลงมาเยมบึงห์หมันลลบเอิองหเลิ่งกระบวนสร้างกายอยู่ตี้ ป่าชาชุนใหญ่น่อยคนิงอยู่ดูสลอดปูบลุ่มป้อหินปะเน็ตนองห้่มเจมพูศรีก็ทั้งไงสลอดใจรำตาลังป่าชาชุนเน่นอังผ้ากันกุมกับายทวินใบนังสลอนตัวจากนั้นปูบล้มก็จึงงอนวอนตานปารุสีทังมสีสุนิสาญาสุธรรมเนเกล เออเรียบมาเรือทรงกคสร้างขึ้นเมื่อปางมนเคยอยู่โอ้ยปู่กับย่ามาับเจ้าขึ้นเกาสุรครนนะ่ะ กับทั้งลูกคนหน่อยจะริราดกันหนาฝุงไทยคุณศีนะเขาลังมาผสมทานขอเชจนผู้บ้านเจอยาลังลาซาโยมนะกับทั้งลูกคนน่อยจะริราดกันหนาฝุงไทยคุณศีนะเขาลังมาผสมทานขอเชจนผู้บ้านเจอยาลังลาซาโยมนะนนาามนะทั้งเจนท่องดอกไม่คู่ฝุงประช้าไปบ้านเขาเชิญตานในรับเอาฮะเจนนั้นองค์พระเอจฉัเจ้าจึงตัด ตอบกุ้งสนใจลกูกผสมในเมืองสีนั่งป่องนอกของบ้านสันดานมีไก้ตันเกียงยา่านชาวเมืองเปิ้ลกาปลายากุ้งเสียทีนคนใหญ่คนมรีจังผู้กาบรหัรกาไปนั่งเขา เออจนเตึงน่านกระว่าตึตอตวงขันตัวเทียนตาใบเตือสองมา้ามอตันลาฟาสิึืนเมื่อบันลูกบาชขึ้นในพกิ่กกงใจพปวกไปเขาสิมาาา้าไรคานีบานเอกเตือสองร้องที่สามเงก่อกหน่าเพือ่อนเอินว่าสักตกีสามสิ36กพคาธาสิว่าชืนออกทางเออ ว่าสซนไซออนลานชามบานพันยับบอลลูมันสีสซนไซต้นแกนเนงาจอมเชียงเจ้าจอมจากบุญสู้ซื่อากโซ หกเทากอบราบการเป็นทียนนาสันจานเสียงเงี้ยงเงืนกุองเสียงตื่นตองร้างคนคนนละทิยมฟานใจสันดานะ ปานปานันทั้งปูวงทังเก่าหลวงสินเนนนนลาดไปวันวาดทาวายสันทางสานตามบริวันจ็ดสัน ทั้งครอบกันมร ด, ดนกับทั้งเจ้าจากกวาวไกลกวาดแกงทัวทุกแกงออกไปมา วกจิงการล้างปาวานเตนตนเทโวปาวสิตวะเทวามพิกาเวนดุลามพิกุลตังลาไอยามเมื่องเวสันตระพุทธิศาสตุนวินเสตทานลงเพศเป็นลาสิน สามาัญการจ้างการจงปันสบพคกรรมด้วยกติยาจติอันเป็นญาติติงการวงสารเน่งพามังงานกาสาเจ้า ปาวัเต็นตโตเทวในกาลาบาทนั้นบานอินทนันตินลาตนดตุนนงาดในตวะวถึงสานชนลานธา ล, ลามปาวเวนศีกมไม้ย า, าปู กระปากกระจตูกุกลงมาในการน่าคงเก็บปฏิทิศลานา ตาหวานเทวาในากาลบาทนานนาตาโลนสุนเนสามปวดตรงคืงวาลานต์ต่างเลิดแล้วกับนัง่งนองแกีวมีวาเสียนทนเป็นวาลาไม่เสิยนสามพอภารกับทางเม ง, งออกเทยส์ใจสมอง ทั้งเวสนนตุ้นยุ่จวกเจ้าจอมลอกหรือจ้าทั้งปัญญาปวงเอา จอมเจียงเจ้าสีส้มใสปัญญาใบขิดหมอกม้อม้อม้อหม้อกับทั้งนั่งน้อยน่าุษสดีนะ ตนเป็นวอล้ามไมิสีเงาพางการสัตเจ้าทั้งวัวคาอุงจึงมันส้มสันนกพรมมวอนทำบันหนึ่งงานเดียวกันทานท่านในกละยามในสมังหางสันนังนังพู กรรมเกือกตัวลูกกันตันตันในกาลยามนานไอ้เขวี้ยนดูลามเพียงคนทางหลายยามเมืองงโศกเศร้าสงสารสับปีสันทานเจ้าเมืองงาถกบู สัมพูอมูวันมาทั้งเสซนอาแลมอนทีนเซตินแลนตัยกานายมาพร้อมพวกมูตานุฮัน ทางงานจานเลนนกปาอ ม, มาตมูโยทางเขาคนเนื่องกันมาสมส่งสามผู้ปมมูปป่เนื่องน้องนำวันในสิบสองอาน ค, คุปปีนิมนา เขามีใจินดีมบอสบสกขเศร้างามเมาเต็มดงกลางพงไปอิ ม, มาวาดเดือนนองกาดใจตายพึ่งการสบายใบลนดอกไม้มุนมองดูว นายไปควงลดสามมาดห้องไงกาดสรุปสุข ก, กับทีินจองใจเอาบาดทยตุนผูมยินรอารมณ์ลำบากคิดยากด้วยรอมเต้าบาบาวบ่เมือม่อเมื่อ เออปนมมือเนื้อทั้งสิบนิว้วตั้งไว้เนือวางเกียววาขาวายสาธุการาาน่ะวากาลอยขอบวันวนั น, วนรอมศอกผู้บ้านเจนแตวหงามใหม่นะ ลู่ปว่กวนเืินทั้งสองป้าผู้ตอนเจ้มเจ้ากัดตั้งนางนองเอามิงมาเสียตนเป็นว่าละไมสีผู้เล็ดแล้วเพื่อจัก่กเมื้อ ป, ป, ปั้นเป้าแกสีพีด้วยสีสวัสดีบ่ละวายนา พาเวสันตาราศเจ้าด้วยบาทปากาตวัตวันเจโนสีสโลลาจังเครตโนโพรังอีเป็นเข้าตั้งแต่ปาบัดเจ้าเจรจาจากที่เมืองมาอาถาเครื่องใจไปฝ่าป่าดีเมื่องบริสิเป็นเจ้านาเป็นตัว โอ้โหอ๊นานามนาหมดเน้อพวกพ่อแม่พี่น้องฟังต้องเรื่องจากรกเวทสันดรนิทานทาตัวยังดีที่มิไว้ทรัสพร้อนกันตนนี้มาพันตามต่อธนกันเลงเขาเอามาเอารอกสู่ฟาง วันน้าปวตบัดนี้กันเทสีกะไก่มาจุนละพุนดอกขอเอ้ยมาพุนกะพันมาจ่าเร้วว่สวยสะโกสูยศกเ ท, า, ทากันที อ, อกกะรกะไรเก้าเอาวยาวเพียงเท่ยวพอหูหมนิทานกันกุมานกะพันแล้วมีรอยหนึ่งราคาทานา เออตกมาถึงมาซีนังเจ้าหลงดอกพงนาวเพื่อนว่ากันที่เก่าจับเอาควา ม, มาเทต่สักกบันปัดแก่หมอบนอินท่าทิลาเตไปขอแก้วมิงมาซีนะ เออต๊กมาหอดฟังนี้เพิ่นเอินว่ากันที่สีบดอกกอเอ้ยฟังมารุ่นพอสมควรส่วนบมเรียภัยไว้ตอนที่กุุงสนไสเอ้ยพ่อกับสองลานหน่อยผู้พ่อยภาคมาราชพูกนี่นีท่านจอดอกหมอมาสักกตีมายโยธาแต่กันหนึ่งถึงสิบสองี่พ่อเอ้ยบนปัญญาสนไสพัมพุทธสรีเกว เออไปเชิญเอาสองเจ้าขึ้นคนครตุ้มไปไก่สิถึงบนนวนนีท่านทวนบอนสิรงมาเริ่มต้นผูกนี่เืินเอื้นวานครกันนี่พอหลังจากกรุงสนใจพ้ำสองลานน้อยอกับทั้งผุธสรีเงาเสนารกเยไปอันเชิญพระวิทไทยรกขึ้นเขาสุรากอนน่ะ พอแตลังจากนันพ อ, องลังนออกปาจ่าฮับเอาขันมาลาภัยประชาชาานะเกิดบันดาลไปหลายสันอัศจรรย์บ่อาจตั้งปลาดตั้งฝนตกมาจากฝ่าหอหอนกับอมีน่ะ เออโบกประาติ ด, ดอกไม้น่อยไงอยู่ในดวงฮิปพอเอ้ยตั้งกะมีเคสสอนดอกเก็บบานภานนะานาฟุงมุอินตานิษยากะเขียวสยยสใยวสใบซึนสนาสไตดวงกะเตก๊ยบืนบินแซลรกสวนสนะตั้งกะหมาหม่องกองสุง น, น้ำพระ อ, องค์น้ำในคลองใน้องโบกสะพังวังกวาง้าบ่มีเตีงมีเึินใสดีบ่มีคุณ บ, บุญสมพันธุ์พระเวชเจ้า หอกนก่วาเลยมงามน่ะนอนหูอีเอี่ยนน เออเมื่อ น, นันพุทธเสดงเอาพนางมึงเจ้อยาเรือกเก่าพื้นแป่นผาค้ำแจวรอกาแพงงมีตั้งเลี้ยงไล่ป้อมเปลงพืง้นผด ต, ผผด ต, ผดตผผําแเปลงพื้มนอกผาตั้มกาภาษีผาไฟไล้ดวนดอกตําดีโกสุมผาเสนสีพื้นประเสริฐ เ, เรียกไม้ลูกสะเพยมาสีแก้วนุงทะลุงงะ กาบทั้งุงกษัตริย์ไทยบุตรตาปัญาเวทมีทั้งผาเจดยอมแดงเลอกตั้งสียฮะอันว่าเพิ่มเขากันสังกัดทำโตเจียงมีทั้งไม่คำความนิ่งไยผื้นอาจโกสยขคารานไรเตรียมนกเต็งดีฮืนา มีทั้งตัวเอตาผาหลายเกือกันดวงดอกเต็มหมดเสือเป็นไปแต่ยันติ น, นอกมุมหมาย อุ้มกะไตเติ้ลมีเมนกันมังมอมพวมกำลังเวดล้อมคุ้ยเตือนดอกมีเมย์เงาหัวกะทิ้งตั้งขวงตัองเที่ยวดอกตั้งเอาเต็มหมู่กวงฟันตินกะเด็ดเนีนเก่าหอกปอนะพากระตินเตะตอนดอกกุ่มเกี่ยวไร้เสือมีอุ้มจินนาริปอนถ้วยหางดอกเกินปีกกำลังเอแอนปอนกุ่มเกี่ยวรอไก่กาฮันนะ เออเตีมห <Maria> 네ูสาวซ้ำหน่อยกำลังหยอกใ่ใจพวกกำลังไม้แขนกันหยอกใจวะเนี่ยเตี่ยมหูบังกวนเกี่ยวในนาทีดอกเทียวตาแตี่มหูนาคารเจียวในนามโยกบึงมีหูโกกาแหงทะยันบนดอกพินเซียวมีหูปุ่งกันนางนุงบินพายผ่านพยุง กำลังจมกอดเจียวกลางปีกดอกบินบนนี่พอเอ้ยแต่โมคุณจะรูไ้ไปไหมฮวงแลงเศ้ามีทั้งอุ้มลัวกเอาโก้ใส่อกพืนนาดเส็นไม่ดีเส้นไม่ดีแรบเจียงเล้งเล้วดอกเตือนใหฮ่าตาหนึ่งเขียวเก่ากันเฟื้มกันเหนือออนออนโอ้ยมาอยู่ละอนพอนทะยันใหญ่ดอกไปคน ส่วนว่าบางอ่อนแก้วมาสีนังส่งนุงเวดสันตาลสเจ้าขันใบไดก็รุงสูงออันว่าพุทธสรีเขายอทวายบุตรตาสูดิเห็ดยัวยอยู่แสงเลียมเคี่มกะตาอันว่ารัตนังแก้วมานิจมานโจูบทำมาลามานโจูบทมราชพุทธสตรีแม่แกลียอยยินทวาย เออกาตั้งถามมรลงเหลี่ยมพุตสรีย่อเงินวิถุลเสียงเกือบแก้วตวไยให้ลูกพองนะการกุพันตั้งอ้ายย่อตะไวยาปาเวทไตแป่นพืนเทีนเสือสืบปวะบ กใอ้มีเด็ดกาเก้ากึ่งพัญญาอินอันวาลกกขีคขวบลือละบือกองกูดอยู่ในคนนองสิบสองอโคปะเปเนนี่ลวนเตี้ยก้อ้มาอ่อนนอมพอองเจ้าเตี้ยผู้เดียวฮหน้าบัดนี้กอเชิญตานผู้บาด ท, ทั้งกนอาจะได้มิงมาสีนังเกวสเสดขึ้นเมือเ่ออ่องเสดขึ้นเมือเม่ออ่องป่างท้องรอกตุมไผ่ไปกี่ก้อสังเกล Tida và vàng có n an an. เออเมื่อ น, นองคประเวทกันเจนไทยเลยสิจากพรั่สีมาตะลงกผืนเพ่งที่แม่เอามาตอนน่ะขินกี่เทืองก็สั่งมาสินา่งกับเป็นคูส่วนกันอาจารยปู้บลมกับญาติเท่ารกเอาอูมข้นใสพเฮานะฟังเสียงดังนอกคืน เขาเต่ามูรากคนนานปานดังท้อลานี่ไว้สันเสถียนเพื่อนฟุงอยู่ในโรงโดยขวงวงขุดจีริง่ายที่ผุงสนุมนาดีพักกันแน่อนปอนวาวมวนละงงู เออผ้อากันเตกตุมตมไหลล้างนกคืนกาบทั้งหมอพินหมอแกนปงกองนอกทั้งคองอทั้งคนลำคนฝอนเมาไม้ห่องสนันทั้งผู้เสพผู้รุมนอกกรมไม่รอกลายกันเออผูงูมมกุ้กกยและอ้อยก็เป็นมากเครือสุกีพ่อ เราสาโทตามสายทางนาเสียกะป่านน่ะฝุงหมูม้าละไมดวงหอมจนคู่หวังงอยเป็นพวงอยู่หลอขคังลิ้มใจฟังถนนนจนว่ามาหอดบานนะกอนใหญ่ดอกสีผีป่าจาชนก็ยินดีเสียบงานอยู่เก็ดมือนะเสียงลับือเรื่องกองไปไกลได้เท่าทัวคุณยมเสหัวสาธุการทวนตัวนาทั้งใกล้ไกลคู่สู่เมือง ม่น uh เออฝุงมู่คนตุกไก็ไหลลังมาขอพระเวตย่อทำท่านคู่ส่วนวัดมือฝุงมูคข้ามุง ม, มูอันตนนะพัานนายจละไปหน่อยให้ตีตะลังลำโซจำต้องนอคือขังฮะเพราะพระเวตบ้านางบ้านกระปวดไปไปนี่ให้เขทาทำ ค, ความดียอย่ารบกวนชาวบ้านเป็นโดยสมบานเจ้าพระพุบานหนอคุมเรียมอยู่ทั้งสูก อยูสางกันข้อหมอนกาบหมิเจ้าสีพี่เดีย่อย้อนโมทนาสอยซึนเวดสันดอนคืนสู่บานปะจายเสือก็สุ้มเย็นน้าปะจ่ายชนทุกตัวน่ะอยู่ในเกตคันตาสิมาปัตนาสามากี้สวยกันบ่หมัวกันนะอยู่ท้งกินอยู่ทางทาน ถึงย้ำบุญก่อเรียนมวนก้อนสิถึงบ่อนหวนตอนไทยบ่อ น, นิทานนบันดิตจันผู้เคยฟังบทก่อนนัผิดพลาดขาดพลใดท่านเพิ่มเติมเข่าเส่นน่ะเสียสงคำพาผู้เกียนห่อขอะมาหามันพาดจันสดใสผู้เตจแลทำน้องเหลืองกระังกัน เออนณาเสียงบัวนวนิ่มจงเสียงแจงไว้ตาปนสาธุชนทั้งหลายดฟังโนติดแล้วุยแบงูสกข ล้วนละกุศุปณ์จะชนในมุคยอิโนานะเอวัง